เอ่อท่านหลังจากที่คุยจบกันไปตอนหนึ่งแล้วชนพุทธบริษัททั้ง ว่าตอนนี้เรานั่งกันอยู่คุณป้าจะควักเวลานี้เรานั่งกันอยู่หน้าพระพุทธชินราชแล้วก็พระพุทธชินราชองค์นี้ เขาเป็นช่าง 2 คนสามีปัญญากันคือนายช่างประเสริฐแก้วมณีเป็นสามีเป็นช่างปั้นแล้วก็ธรรมเนียนแก้วมณีปัญญาเป็นช่างประดับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งพระพุทธรูปก็ดีคือพระพุทธรูปดิฉันราชองค์นี้และก็แท่นแรงงานทั้งหมดตั้งแต่ปั้นและประดับตลอด na het tank besloten, gaf ik je panyani, gaf ik je mijn, gaf ik mijn, gaf ik mijn, gaf ik mijn, gaf ik mijn, Jing. ik mijn, gaf ik Moon. gaf ik mijn, gaf ik หลวงปู่ถามเขาแล้วเขาบอกว่าราคาเป็นหมื่นคําจริงก็หลายหมื่นแต่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาค่าแรงงานทั้งหมดทั้งนี้เพราะว่าเขาเป็นช่างปั้นวัด เป็นฝีมือของใครคุณป้าน้อยก็บอกว่า อำเภอกรอกพระจังหวัดนครสวรรค์แล้วเอ่อแล้วก็จุไลก็ถามคุณป้าน้อยว่าตีมือการปั้น เห็นหลวงปู่ท่านบอกป้าท่านบอกว่า 2 คนนี้เป็นโดสดีบัณฑิตปฐมคําว่าบัณฑิตอธิบายว่า 2 คนแล้วก็ช่างก่อสร้างทั้ง อ่ามาเลมช่างพยาวสกลพัฒนพันธ์แล้วก็ช่างพรหนูสําเภา เขาบอกช่างที่จบ ป. 4 ทําไม่ได้ป้าน้อยก็บอกว่าฝีมือทุกอย่างช่างก่อสร้างก็ดีช่างประดับก็ตามช่างปั้นก็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 แล้วเธอถามภาพรมศาทีกธาตินเธอแล เ� It was taken from me to come, where? เธอจุดgeme tinham ราพร้อünพ 2020 นian telling go to give his visibility. What the land gave you to the stripe and get rid of the divine signs and fresco. The protect很 Chessel on the national land Hasta this 2, peaceizada is still an unknown name for him. Deep the religious Kern do have his right 톱的the third, as the land of นอกจากนั้นส่วนใหญ่ที่มีสําคัญอย่างยิ่งต้องลงทุนกันมากคือ นะสีธัมมปิฎกคือพระเจ้าพรหมมหาราชฝังไว้นั่นก็ เพียงดูไม่ว่าจะเป็นไม้จันทน์เก่าแล้วทํา คุณป้าน้อยก็ยิ้มก็บอกว่าที่เป็นทองจริงๆเอามาตั้งแบบนี้ไม่ได้ต้องฝังแล้วก็ที่ตั้งนี้เป็นทองเหมือน <c oughs> หลวงป่าน้อยก็บอกมีอีกเยอะใส่เหยือกใหญ่วันนั้นวันมาโจเห็นเถรกันขนาดหนักเธอก็ถามว่าถ้างั้นว่าก็เป็นธรรมดาที่ <c oughs> Deze kan thangwa, die dan en niet de prauw. Die ma, van nou ik ook wat lang te men toe moet. Mee, tau rai, goed, lang hai kun, toe. bang, tong bang, bang. ทองเหลืองทองแดงก็ตาม ความจริงท่านทําท่อฝังลงใต้ดินลึกแล้วก็เป็นหลุมใหญ่ใต้วิหารจริงๆช่างทําเถ้า ไอ้ใส่ลงไปแล้วหล่นไป แล้วก็ถามต่อไปว่าคุณป้าเดินไปทางโน้นดีมั้ยไปทางด้านทิศตะวันออก ป้าน้อยก็บอกว่าเป็นพี่มือช่างประเสริฐก็ช่างจำเนียรป้าน้อยถาม <c oughs> แต่มีสิ่งที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งวันนั้นปรากฏว่าเวลาเททองลมแรงมากช่างเททอง <c oughs> จนเวลาที่ช่างทุบอุ่นออกดูจึงไม่ยอมทุกข์กลางวันทุกข์กลางคืนตอนดึกซึ่งคนไปหมดแล้วเมื่อทอนยินดีแล้วก็ตามทุบพลตอนเช้าช่างประเสริฐ ลังปกปิดทันทีแล้วไปทําซ่อมกันที ไหลต้องไปก่อนอย่าแข็งเร็วที่ไหลต้องไปที่หลังจะประสานไม่ทันอย่างนี้ต้องซ่อมกัน <c oughs> ดูทั้งว่าความมหัศจรรย์ป้าน้อยก็บอกว่าเรื่องนี้ เครื่องตั้งศพใคร ik song, lungti tang lang, tang tang tang tang ก็รวมความอนุปลู่ทั้งได้ตัด หมายความว่าจะทําให้เป็นที่พอใจของคณะ <c oughs> พระน้อยก็บอกว่าหลวงปู่ท่านก็บอกว่า แล้วก็จุลัยก็ถามต่อไปว่าการตั้งเครื่องศพก่อนโดยมากไม่ เดือน 2 พ.ศ. 2523 เพราะว่าแต่ว่าป้าก็จําวันที่ไม่ได้ แล้วก็ว่าฉันอาพัตตาอาหารเช้าคือข้าวต้มเมื่อฉันก็ต้ม ที่คุณหญิงเยาวมานบุญนาคสร้าง 2 ห้องนี่คุณหญิงเยาวมานสร้าง 2 ห้องแล้วก็มีอัญเชิญมณีจักรสร้างอ่างอาบน้ํา พอนั่งบนโถส้มคือเวลานั้นหน้ามืดไม่ตัวท่านเองท่านก็ไม่เห็นท่านว่า เอาล่ะทวาระมาถึงก็เป็นเรื่องของร่างกายถ้า ดีไม่ดีถ้าดีเกินหน้าเขาแทนที่จะชม คือหลับตาไปใหม่ก็คิดในใจว่าสถานที่ใดเราควรจะไปเราขอไปที่นั่นพอ มีความสวยสดงดงามมีการ เสื้อสังวาลไม่มีแต่มีเครื่องบรรดับมี <c oughs> เห็นนางฟ้าบ้างเทวดาบ้างพรหมบ้างพระอรหันต์บ้างเต็มหมดเต็มสวยสดงดงามมากใหญ่มาก 6 แสงไพเร่ปรังท่าน เป็นพระที่ท่านรู้จักเป็นปกติพระอุนันท์ท่านก็ งานที่จะทําข้างหน้าน่ะมีมากยังไปไม่ได้ช่วยกันก่อนพระผู้เถิงกราบ ทำให้มีความสุขใจให้มีความสุขใจในการให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ร่างกายอยู่บรรทมสุขถ้าเขาจะมีความรู้รู้ กลับลงมาก็เข้าร่างกายเดิมเมื่อเข้าร่างกายเดิมผมมีความ ก็ค่อยๆเอียงกายลงไปแล้วก็ถอดแว่นให้เอียงกายลงเพราะตรงนั้นมีพรหมเมื่อเอียงกายลงไปแล้ว อดีตสักครู่หนึ่งลืมตาขึ้นมาก็ค่อย 15 ปี แต่ 13 เหลืออีก 2ญญญญ15 ปีฉันจะเอาไว้ไม่ เมื่อสันทะวางปรากฏแล้วก็หลับตาไปอีกนิดแต่ก็บังควาเมื่อเธอพยุงร่างกายออกไปแล้วในร่างกายปกติตั้งแต่ โดยรวมความมันก็ตั้งตามนั้นตามคําสั่งของท่านเอ่อนี่หลวงปู่ท่านไล่ฟัง 15 ปีตามที่ ตั้งก็ๆไปเผาไว้ 2504 เป็นต้นมาพระองค์ๆ5 อีภส 2504 แล้วก็สอนในขั้นในได้ในในหมวดของสุขวิปัสสโกยังมีไม่กี่คนแต่พระท่านสั่งว่าศพของเธอน่ะจงอย่าเผาเก็บเอาไว้ก็กราบเรียนท่านว่าจะเก็บ มาตอนนี้มีรู้สึกทุกข์หามากขึ้นในเมื่อท่านสั่งตามนั้นก็เห็นประโยชน์เพราะ เขาก็มีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นดูอย่างตัวอย่างวัดปากน้ําประสิทธิ์ <c oughs> ตายเมื่อไหร่ความวุ่นวายของเรื่องศพก็หมดเพียงสมบูรณ์พูนผลจึง